เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่12บสองเมษายนพุทธศักราชส5 5พเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมา ว, วัดเพื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือทรงสอนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็น <c oughs> ของเราถ้าเราปล่อยวางเราให้เขาไปด้วยความยินดีเราจะมีความสุขอย่างที่วันนี้ญาติโยม ได้มาปล่อยวางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเอาเงินมาถวายวัดเอาข้าวเอาของมาถวายวัดมาให้มาปล่อยวางด้วยความยินดีไม่หวงเมื่อเราได้ทําด้วยความยินดีเราก็เกิดความสุขใจเกิดบุญขึ้นมาในใจเราการทําบุญก็คือการปล่อยวางนี่ง ขอให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเอามีไว้เท่าที่จำเป็นพอต่อการเลี้ยงชีพเพื่อที่เราจะได้เอาชีวิตของเราเอาร่างกายของเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดวัดพระฟังเทศฟังธรรม อยู่ค้างคืนได้ก็อยู่อยู่สามคืนได้ก็อยู่อยู่ห้าคืนเจดคืนได้ก็อยู่เพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปทำให้พบชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีน้อยลงไปตามลำดับ จนหมดไปในที่สุดนี่คือหน้าที่ของพวกเราเราต้องมาปล่อยวางอย่ามาหลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ได้แล้วในที่สุดก็ต้องจากกันไปเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจแต่เวลาเสียไปก็เศร้าสศกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเศร้าสศกเสียใจ ขอให้เราอย่าหามามากจนเกินไปหามาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพถ้ามีมากเกินไปก็เอาไปให้ผู้หลุนเสียแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราหวงเรามีความยึดติดอยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองเวลาเขาจากเราไปหรือเวลาเราจากเขาไปเราจะ เสีย อ, อกเสียใจและเราอาจจะคิดทำบาป ท, ทำกรรมขึ้นมาก็ได้ถ้าเรารู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนเอาของที่เรารักไปเราก็จะไปทำร้ายเขาจะไปฆ่าเขาได้แต่ถ้าเราปล่อยวางอยู่เรื่อยๆไม่ยึดไม่ติดไม่หวงกับสิ่งตา่างๆเวลาสูญเสียไป แทนที่จะไปทำบาปก็จะไม่ทำบาปกับจะไปทำบุญเพิ่มมากขึ้นยังมีนิทานเรื่อง่มตัวอย่างเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของพระอาจารย์หลวงปู่ขาวแห่งวัดร้ำกองเพนตอนที่ท่านเป็นคารวะท่านก็มีภรรยาแล้ววันหนึ่งท่านก็จัภรรยาว่าแอบไปมีชู้ ท่านก็เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างมากคิดจะค่าทั้งภรรยาและชู้ไปแต่พอดีท่านได้สติได้คิดขึ้นมาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของท่านไม่ช้าก็เลยก็ต้องจากกันเวลาจากกันถ้าเรารู้ทันเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะจากอย่างมีความสุข แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราจะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาและจะไปทําบาปทํากรรมได้พอท่านคิดอย่างนี้ได้ท่านก็เลยตรงว่าภรรยาของเราถ้าเขาเป็นของเราเขาก็ต้องอยู่กับเราซื่อสัต์กับเราถ้าเขาไม่อยู่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเรา เราจะไปยั้งเขาไว้ทำไมเราจะไปเสียใจทำไมท่านก็เลยตัดสินใจยกภรรยาให้ชูไปเลยแล้วตัวท่านก็เลยเป็นอิสระสามารถออกบวชได้แทนที่จะทำบาปคนที่มีปัญญาคนที่ไม่ยึดติดกับสนบัตรข้าวของเงินทองต่างๆแทนที่จะไปทำบาปหลังจากที่สูญเสียสิ่งต่างๆไป บางคนถึงกับฆ่าตัวตายเวลาชีวิตตกอับเสียสมบัติเท่าของเงินทองเสียคนรักเสียสิ่งที่รักไปไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ก็เลยคิดฆ่าตัวตายแต่คนที่เคยเข้าวัดอยู่บ่อยๆเคยทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆอย่างยังหลวปู่ขาวนี่พอท่านสูญเสียสิ่งที่ท่านรักไป ท่านกลับได้ปัญญาได้แสงสว่างแห่งธรรมว่าไม่มีอะไรเป็นของของท่านไม่มีอะไรอยู่กับท่านไปตลอดท่านก็เลยหันเตุเข้าสู่วัดเข้าสู่ธรรมะเพื่อปฏิบัติให้จิตใจปล่อยวางให้ได้มากยิ่งกว่านี้ตอนนี้ปล่อยได้เพียงแต่ภรรยาปล่อยได้เพียงแต่สมบัติข้าวของเงินทอง ท่านต่อไปก็จะไปปล่อยการกระทําที่จะพาให้ไปตกนรกก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิตเวณีการพูดตวดการเสพสรารยาเมาเป็นการกระทําที่จะพาให้ผู้กระทําต้องไปตกนรกต้องไปเวรไหว้ตายเกิดในอบายมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลา ท่านก็เลยตัดสินใจออกบวชถือศีล2องข้อแล้วก็ปล่อยวางกากรกระทำที่ไม่ดีแล้วก็มาปล่อยวางสมบัติที่มีค่าที่สุดก็คือร่างกายของท่านเองปล่อยวางยอมตายไปอยู่กับเสือกับช้างในป่าถ้าจะถูกเสือถูกช้างกับตายท่านก็ยอมตายท่านปล่อยทุกอย่างปล่อยอัตตาตัวตน การถือว่าท่านเป็นพระหรือถือว่าท่านเป็นคนสูงกว่าเขาตับกว่าเขาหรือเท่าเขาท่านปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับอัตตาตัวตนจนในที่สุดท่านก็ได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาด้วยอำนาจของการปล่อยวางนี่ผู้ใดก็ตามถ้าปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การหลุดพ้นจากความทุกข์อันใหญ่โตนี้ก็จะต้องรู้จักปล่อยวางอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำกันวันนี้ท่านกาลังมาปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาปล่อยด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยความยินดีแทนที่จะมีความทุกข์กลับมีความสุขใจวันนี้มีความสุขใจจากการ ปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพรุ่งนี้ลองปล่อยวางสามีภรรยาดูจะมีความสุขยิ่งกว่าปล่อยวางทรัพสมบัติข้าวของเงินทองสิสามีภรรยาจะไปอยู่กับใครจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงปล่อยเขาไปถ้าเขาจะอยู่กับเราเขาก็จะไม่ไปไหนแต่ถ้าเขาจะไปต่อให้เอาช้างมาลากไว้ เขาก็ไม่มาเราต้องยอมรับความจริงต้องมองให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอยู่กันในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะจากกันได้ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่ไปเราต้องจากสามีจากลูกจากภรรยา จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไปแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องจากไปแต่ถ้าเราสามารถตัดความยึดติดในทรัพ์สมบัติในบุคคลต่างๆในร่างกายในชีวิตของเราได้เราจะไปอย่างสบายเราจะอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับการไปการมา ของสิ่งต่างๆทุกวันนี้พวกเราไม่ฉลาดเราไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะคิดว่าจะต้องอยู่กับเราไปนานๆคิดว่าจะให้ความสุขกับเราคิดว่าเป็นของของเรานั่นเองแต่นี่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่กับเราไป นานๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้เป็นตามความอยากเราก็เกิดความทุกข์ใจของเราเพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปควบคุมเขาได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็อาจจะสั่งเขาได้แต่เวลาหน่อที่เราสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ทาตามความคำสั่งเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ ดังนั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานใจอยากจะอยู่อย่างมีความโล่งเย็นเป็นสุขและไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเราก็ต้องมาฝึกการปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองปล่อยวางบุคคลต่างๆปล่อยวางชีวิตจิตใจของเราปล่อยวางการกระทําที่เป็นบาป ท, ทั้งหลาย เช่นวันนี้ท่านก็มาปล่อยวางด้วยการทําบุญให้ฐานทําแล้วมีความสุขใจปล่อยแล้วมีความสุขใจถ้าหวงก็จะมีความทุกข์ใจเช่นถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาทําบุญแล้วมีขโมยมาขึ้นบ้านขโมยข้าวของเงินทองไปแทนที่จะมีความสุขใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าไม่ไม่ยึดไม่ติดยินดีที่จะปล่อยวางเสมอพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเสมอเวลาขโมยมาขึ้นบ้านแทนที่จะทุกข์ใจก็กลับสุขใจดีเสียอีกไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลาไม่ต้องขนข้าวขนของมาวัดมีคนมารับถึงที่บ้านเลยหรือจะคิดว่าเป็นบุญของเราตอนนี้เราจะได้ของใหม่ใช้ ถ้าใครมาทำโมยทีวีเครื่องเก่าไปเราก็จะได้ไปซื้อทีวีเครื่องใหม่มาดูใครขโมยรถคันเก่าไปเราก็จะได้ไปซื้อรถคันใหม่มาใช้นี่คือเรื่องของคนทำบุญใจบุญจะเป็นอย่างนี้จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปแล้วก็จะไม่ทุกข์กับการทำบาปเพราะไม่ได้ทำบาปนั่นเอง เช่นวนี้ญาติยมก็มาสมาทานศีลห้าตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกหไม่เสกสุรายาเมาถ้าทําได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าทําไม่ได้เวลาไปทําบาปใจจะไม่รู้สึกสบายใจจะมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวล ต่อวิบากรรมต่อผลบาปที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปใจก็จะสบายมีความสุขนี่คือการปล่อยวางข้าวของเงินทองปล่อยวางการกระทำบาปถ้าเราอยากจะปล่อยวางของที่มีค่ายิ่งกว่านี้คือร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเราต้องปฏิบัติธรรม เราต้องบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือเราต้องควบคุมใจของเราให้ได้เพราะว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปยึดไปติด ก, กับร่างกายไปยึดไปติด ก, กับความรู้สึกนึกคิดต่างๆถ้าเราควบคุมใจได้หยุดใจได้ใจของเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้าใจหยุดการยึดติดยึดปล่อยวางความอยากได้คือไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไปเกิดความอยากอยากไม่ให้เจ็บใจจะ เจ็บขึ้นมาอีกหลายเท่าด้วยกันความเจ็บที่รุนแรงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความเจ็บที่รุนแรงนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่การอยากไม่ให้มีความเจ็บกับร่างกายอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายเจ็บแล้วอยากให้หายอย่างนี้ก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาในใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกัน อย่างเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าจะฉีดยาเท่านั้นแหละยังไม่ทันฉีดเลยใจมันเจ็บไปก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะไม่อยากฉีดไม่อยากให้หมอฉีดไม่อยากเจ็บคจริงเข็มทิ่มไปในเนื้อมันเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ใจนี่เจ็บกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่พอเราทาใจได้ว่าเอาฉีดก็ฉีดเจ็บก็เจ็บ ถ้านั่นลพอฉีเข้าไปจริงๆมันก็ไม่เจ็บมากมายนะนี่ก็คือเรื่องของการปล่อยวางเราต้องปล่อยวางความเจ็บให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของชีวิตเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าใจเราไม่ไปเจ็บด้วยรับรองได้ว่ามันไม่รุแนแรงดังนั้นเราควรจะฝึกอยู่กับความเจ็บเช่น ถ้าเจ็บท้องเพราะหิวข้าวอย่างนี้ก็ทนเอาอย่างวันนี้ถ้าถือศีลแปดไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวตอนเย็นมึนก็จะรู้สึกหิวก็เป็นการเจ็บของร่างกายก็ปล่อยนั้นเจ็บไปใจเราอย่าไปเจ็บใจเรามาพุโทโธพุโทโธไปควบคุมความอยากให้ได้อย่าไปอยากกินข้าวแล้วรับรองได้ว่าจะไม่หิวใจจะไม่หิว ความหิวของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรเราต้องควบคุมใจเราให้ได้เพราะปัญหาของเราส่วนใหญ่อยู่ที่ความทุกข์ใจอยู่ที่ความเจ็บของใจถ้าเราควบคุมความความคิดความอยากได้ใจจะไม่เจ็บเพราะว่าความเจ็บของใจนี้เกิดจากความอยากนั่นเองอยากดื่มอยากรับประทาน แต่พอต้องมาถือศีลดื่มไม่ได้ถือศีลห้าก็ดื่มสุราไม่ได้ถือศีลแปดก็รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปไม่ได้แต่ถ้ามีความอยากก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาในใจ ท, ทันทีแต่ถ้าเรามีพุทโธพุทโธไปเรื่อยบังคับใจไม่ให้ไปคิดถึงสุราไม่ให้ไปคิดถึงอาหารใจของเราก็ไม่เจ็บอย่างคนที่มาอยู่วัด น, นี้ มาถือสิงแสจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรือคนที่มาบวชมาอยู่วัดนี้ก็ฉันมือเดียวก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเวลาจะคิดถึงอาหารเพราะไม่มีอาหารจะให้รับประทานกันถึงเวลาเย็นก็ต้องเข้าโบสถ์เข้าไปไหว้พระสวดมนต์ใจก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงอาหารก็เลยไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกทรมานใจแต่ถ้าอยู่บ้านนี้จะลําบาก เพราะเราไม่กินแต่คนอื่นเขากินเดี๋ยวอาหารก็โชยลบกลิ่นของอาหารเชโชยเข้ามาในจมูกก็พอได้กลิ่นปั้มมันก็เริ่มน้ำลายไหลเริ่มคิดอยากจะกินขึ้นมา ท, าทันทีพอเกิดความอยากแล้วก็จะทนไม่ได้ทนกับความเจ็บของใจไม่ได้นี่คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเจ็บร่างกายจะอดอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าใจไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่อยากให้มันอดแล้วเราจะอยู่ได้อยากสบายดูพ่อพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างท่านอดอาหารถึง4ี่สวันด้วยกันมีใครอดได้บ้าง4ี่สวันแต่ท่านอดได้ก็อะไรเพราะใจท่านไม่อยากนั่นเองใจท่านเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลา เวลาเกิดความอยากท่านก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบความหิวทางใจก็หายไปหมดเลยความหิวทางร่างกายก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรดูจกนกระทั่งร่างกายของท่านนี้มีแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นคิดดูว่าท่านทำได้อย่างไรก็เพราะว่าท่านควบคุมใจของท่านได้นั่นเองควบคุมใจของท่านไม่ให้ไปคิดถึงอาหาร มาให้ไปคิดถึงความอยากที่จะกินอาหารนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทากันให้ได้ก็คือควบคุมความคิดที่จะไปสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้มันก็จะไม่สามารถไปสร้างความอยากได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราหยุดมันได้มันก็จะไม่สามารถไปชนคนนั้นคนนี้ได้ ไม่สามารถวิ่งแหกโค้งได้ใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเบรกตอนนี้ใจของเรามันไปเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังตลอดเวลาเห็นอะไรชอบก็วิ่งเข้าหาเห็นอะไรเกลียดก็วิ่งหนีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรชอบแล้วอยากได้อะไรก็มีความกังวลกวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือเวลาไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องดิ้นหนีให้ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้แล้วจะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเจอคนที่ไม่ชอบนี้ก็ไม่อยากจะเห็นหน้าอยากจะหนีไปไกลๆหรือเวจาเจอความเจ็บไข้ของร่างกายร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาทางจิตใจ แต่ถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้เวลาเจอใครเม็ดเราไม่ชอบหน้าใครเราก็ทําใจเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอยากจะหนีจากเขาไปแล้วก็จะอยู่กับเขาได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมียากินก็กินไปเวลากินแล้วความเจ็บยังไม่หายเราก็อยู่กับมันไปพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปอยากหนีจากมันเพราะหนีไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไปไม่ได้แต่เราสั่งใจเราได้สั่งใจไม่ให้ผลิตความอยากขึ้นมาได้พอใจเราไม่ผลิตความอยากขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของราบยศสรรเสริญเสื่อมของรูปเสียงกิริดต่างๆ รือเสือมของสังขารร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปถ้าใจเราไม่มีความอยากไม่ผลิตความอยากขึ้นมาใจของเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่วิเศษที่พวกเรา<ม>ทุกคนสามารถทำให้กับตัวเราได้ดีกว่าได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้ ไม่สามารถมาหยุดความเจ็บใจได้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้แต่กลับจะเพิ่มความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาต้องจากเงินร้อยล้านพันล้านไปนี้จะรู้สึกเสียใจมากจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจเราได้ไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเวลาเขาจากเราไป หรือเวลาเราจากเขาไปเราจะไม่เดือดรอ้อนเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราสามารถควบคุมความอยากไม่ให้เขาจากเราไปได้นั่นเองนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเราสร้างที่ใจเรานี้ด้วยการหยุดความอยากด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขา เขาจะสุขก็ปล่อยเขาสุขอย่าไปอยากสุขอย่าไปอยากให้สุขนานๆเพราะเวลาถ้าความสุขหายไปก็จะเกิดความเจ็บความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาทุกข์ก็เช่นเดียวกันเว ล, เวลาเขาทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขาหายเพราะเกิดจะเกิดความเจ็บใจจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามากกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกัน เราต้องปล่อยวางต้องอยู่กับความจริงความจริงนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใจแต่ความหลงที่ไปเห็นผิดเป็นชอบนี้ต่างหากที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะความหลงจะอยากจะหลอกให้เรามีแต่ความสุขอย่างเดียวซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงมีมีสุขต้องมีทุก มีเจริญต้องมีเสื่อมมีเกิดต้องมีตายจะให้มีเกิดอย่างเดียวไม่ได้จะให้มีสุขอย่างเดียวไม่ได้จะให้มีเจริญอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นของคู่กันถ้าไม่อยากตายไม่อยากเสื่อมไม่อยากทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีตายถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเจริญไม่มีการเสื่อม ไม่มีสุดไม่มีทุกขนี่ยนี่คือวิถีทางของคนฉลาดเพราะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการไม่เกิดเพราะผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์ทุกย่อมมีทุกย่อมมีกับผู้เกิดเสมอแต่ทุกจะไม่มีกับผู้ไม่เกิดถ้าพวกเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจ ความเจ็บใจความเศร้าโศกเสียใจความเครียดความไม่สบายใจทั้งหลายก็ต้องปล่อยวางให้ได้อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังมาซ้อมปล่อยวางกันในวันนี้ตอนนี้ก็ปล่อยวางเพียงเล็กๆน้อยๆตก่อนตากกำลังต่อไปก็ปล่อยเพิ่มมากขึ้นไปพึ่งต่อไปก็ปล่อยสักสองเท่าดูซิว่าจะมีความสุขหรือมีความทุก ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยแล้วมีความสุขก็แสดงว่าปล่อยได้ถ้ามีความสุขก็อยากจะปล่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็ปล่อยหมดเลยไม่มีดีกว่ามาอยู่แบบเป็นพระดีกว่าไม่ต้องวุ่นวายกับสมบัติเข้าของเงินทองอยู่อย่างสบายมีคนเลี้ยงดูอย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นรนให้เสียเวลาเหนื่อยยาก นี่คือการปล่อยนะถัดปล่อยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองปล่อยคนที่เรารักเนี่ยอย่าไปปล่อยคนที่เราเกลียดเพราะคนที่เราเกลียดไม่ต้องปล่อยนเราก็ปล่อยอยู่แล้วเพราะเราไม่ชอบคนที่เราเกลียดนี่ไม่เป็นปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาก็คือคนที่เรารักเราต้องปล่อยเขาให้ได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเวลาเขาไป <f> เ, เราจะเสียใจมาก แล้วเราก็มาปล่อยการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้จะสร้างความทุกข์ให้กับเราจะพาให้เราต้องไปเกิดในอบายแล้วเราก็มาปล่อยควบคุมความคิดของเราเพื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปถ้าเราทำได้รับรองสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพออาระอรหันตสาวกจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นี่คืองานที่ท่านทั้งหลายมาทํากันในวันนี้ในวันพระวันธรรม น, นัสสวันะนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พวกเราปล่อยงานที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นโทษกับจิตใจให้มาทํางานที่เป็นประโยชน์กับจิตใจและไม่เป็นโทษกับจิตใจด้วยการปล่อยวางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ปล่อยวางการกระทำบาปและปล่อยวางการยึดติดในในความรู้สึกนึกคิดและในชีวิตของเราจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการเจดิก็เขนว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณภาษีลัคนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญกากล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ